เดี๋ยวลองฟังพระสูตรสูตรหนึ่งนะว่าชันโนวาทสูตรพระสูตรที่พระชนะฆ่าตัวตายพระชนะนี่มีสององค์นะพระชนะองค์หนึ่งก็คือเป็นพระชนะที่เป็นอ่านะติดตามพระพุทธเจ้าที่เป็นสหชาติกับพระผู้มีพระภาคอีกองค์หนึ่งก็เป็นพระพิสูรรูปหนึ่งเป็นพระพิสูรรูปหนึ่งซึ่งท่านฆ่าตัวตายสมัยที่พระผู้มีพระภาคยังมีพระชนอยู่ ข้อความในชันโนวาทสูตรมัชมินิกายอุปริปันธาตกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันอันเคยเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชครึกสมัยนั้นแหละท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาจุนทะและท่านพระช น, นะอยู่บนภูเขาคิจจกูดเฉพาะท่านพระช น, นะอาพาธทนทุกขเวทนา เป็นไข้หนักพระยังป่วยเลยเนาะนหะ น, นว่าเป็นพระแล้วจะไม่ป่วยเนาะป่วยเหมือนกันคุณสนันบอกกํลาลังทำอักตึกสงฆ์อยู่ใช่ไหมอักดันนันไม่ได้มาบอกช่วงนี้ก็บอกว่าไม่ว่าค่อยว่างเลยก็ทําตึกสงฆ์อาพาธอยู่ เ, เพราะฉะนั้นประชะนะเนี่ยท่านก็ป่วยเป็นป่วยหนักมากเลยครั้งนั้นแลท่านภาษาริบุตรออกจากที่หลีเกเล่นในเวลายเย็น Ham, แล้วก็เข้าไปหาท่านพระมหาจุนทะอย่างที่อยู่พระมหาจุนทะก็คือน้องของท่านนั่นแหละแต่ก็เป็นพารหันแล้วก็ได้กล่าวกับท่านพระมหาจุนทะดังนี้ว่าดูก่อนท่านจุนทะมาเถิดเราจะเข้าไปหาท่านท่าชนะอย่างที่อยู่ไต่ถามถึงความเจ็บไข้ท่านพระมหาจุนทะก็รับคําท่านพระสารีบุตรแล้วตอนนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะได้เข้าไปหาท่านพระชนะอย่างที่อยู่ แล้วได้ทักทายปราศัยกับท่านพระชนะครั้นผ่านการานะครั้นผ่านคำทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วจึงนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระชนะดังนี้ว่าดูก่อนท่านชนะนะท่านพอทนพอเป็นไปได้หรือเป็นยังไงทนได้ไหมยงนั้นไปถึงอ่ะไปเยี่ยมคนไข้นะใครเคยไปเยี่ยมไข้มัง ไปถึงก็ถามเขาว่ายังไงถามนี้หรือเปล่าเป็นยังไงพอทนพอเป็นไปได้หรือนะไอ้ขึ้นต้นอาจจะเหมือนกันเป็นไงเจ็บบ้างไหมนะแต่ว่าตอนท้ายๆนี่ดูไม่ค่อยเหมือนกันอนะนะต้นๆเนียก็ถามความเจ็บป่วยก็ถามเหมือนเหๆกันนั่นแหละทุกขเวทนาทุเราไม่กำเริบความปรากฏนะะปรากฏความทุเราเป็นที่สุดไม่ปรากฏความกำเริบหรือเป็นยังไงมันสางขึ้นไหมเบาขึ้นไหม พอจะหายไม่อะไรเงี้ยนะก็ถทำกันท่านพระช น, นะก็ตอบว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผมเนี่ยทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมเนี่ยหนักกําเริบไม่ทุเลาปรากฏความกําเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยโอ้ยไข่เนี่ยมันมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้ะ น, น, นะมันไม่ลดเลยอะ่ะ ข้าแต่ท่านภาษาราบุตรลมเลือประมาณกระทบขม่อมของกระผมเหมือนบุรุษมีกําลังเอาของแหลมคมทิ่มขม่อมฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมเนี่ยหนักกําเริบไม่ทุเราปรากฏความกําเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเราเลยนะถ้ามันมันป่วยจริงๆเนี่ยนะลมเนี่ยเสียดแทงศีรษะตลอดเลยนะเหมือนกับเอา มีด อ, อะไรจิ้มลงไปใช่ั้มแล้วก็กวนนะเสียบแทงมันปวดอย่าไปตายใช่ไหมเดี๋ยวนะทำได้ไหม <c oughs> เวลาคนจะตายส่วนใหญ่เนี่ยทุกมากนั้นในทุกช่วงนี้เนี่ยแหละเรียกว่าทุกขเวทนามากๆส่วนใหญ่จะควบคุมตัวเองไม่ได้พอควบคุมตัวเองไม่ได้ปั๊บเนี่ยกรรมในอดีตก็จะปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งละใครเห็นอะไรเป็นสาระในช่วงนั้นก็ นะพวกกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตก็จะปรากฏช่วงช่วงนั้นแหละข้าแต่ท่านภาษาราบุตรลมเหลือประมาณเวียนศรีรษะของกระผมอยู่เหมือนบุรุษมีกําลังให้การขันศรีรษะด้วยชนะอย่างมั่นฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนะักสําเร็จอา่ากรรเลิบไม่ทุเ่เราปรากฏความกําเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุ่เราเลยนะเอาเชือกมาคล้ายๆกับคาดนักมวยเห็นไหมนั่นแหละ แต่เป็นเชือกใช่หมแล้วเอาไม้หนึ่งรัดรๆให้มันแน่นไปเรื่อยๆนะลมนี่มันเวียนขนาดนั้นเลยยังไม่เคยเป็นขนาดนั้นใครเคยเป็นบ้างยมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะถึงขนาดนั้นมันนั่งอย่างนี้ไม่ได้แล้วข้าแต่ท่านภาษาฤาบรลมเลือประมาณปั่นป่วนท้องของกระผมเหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดเอามีดแล่โคอันคมคว้านท้องฉะนั้น ท้องเนี่ยเหมือนกับตับตไตไส้เนี่ยมันขาดเป็นชิ้นๆเลยนะมันปั่นป่วนไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นกระผมเนี่ยจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมเนี่ยหนักกำเริบไม่ทุเราปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเราเลยข้าแต่ท่านภาษารรบุตรความร้อนในกายของกระผมเนี่ยเหลือประมาณตัวเนี่ยร้อนจีเลยแหละเหมือนบุรุษมีกําลังสองคน จับบุตรมีกําลังน้อยที่อวัยวะป้องกันตัวนะที่อวัยวะป้องกันตัวต่างๆและก้อนหน้าบย่างในลุ่มทานเพลนเหมือนกับปลาปิ้งปลาย่างไก่ย่างอย่างนั้นนะนะฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมเนี่ยหนักกําเริบไม่ทุเาราปรากฏความกําเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเราเลย เรียกว่ามนัสิการตรงไหนเนี่ยนะในอาการ32เนี่ยมายทุกขากายย่ิญญานเนี่ยเกิดหมดเลย <นะ S 1> ไล่ส่วนไหนที่ไม่มีทุกขากายย่ิญญาณเนี่ยไม่มีเลยมันก็เหมือนกับคนไข้ขึ้นใช่ไหมนึกที่เท้าเท้าก็ร้อนนึกที่แขนแขนก็ร้อนนึกที่ศีรษะศีรษะก็ร้อนแต่แต่หน้าผากหน้าผากยังร้อนเลยใช่ไหมทุกขากายย่ิญญาณเนี่ยเกิดตลอดเพราะในทั่วสารพรางกายก็มีเตโชธาช่ยไหม มีเตโชธาตในทั่วสารพรางกายและก็กายยะภาษาทรูปก็มีเกือบทั่วสารพรางกายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นั้นๆันเนี่ยถ้าหากว่าเตโชธาตมันกำเริบทุกขากายยวิญญาณก็จะเกิดถ้ามีนรัสการท่านก็เลยบอกว่าข้าแต่ท่านภาษาธิบุตรกระผมจะหาศาสตรา ม, มา่าตัวไม่อยากจะได้เป็นอยู่เลยว่างั้นหทุกเลยเกินแต่ก็ไม่เห็นตายสักทีเดี๋ยวจะลาตายแล้ว จะหาอาวุธมาฆ่าตัวตายแล้วนะพระแสดงว่าตอนนี้เนี่ยย่พระองค์ยังไม่ได้บัญญัติวินัยเรื่องฆ่าตัวตายคือในพระวินัยมีอยู่ข้อหนึ่งที่สุรูปใดฆ่าตัวตายเป็นอมาตทุกุตนะทีนี้ว่าแสดงว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่มีพระวินัยบัญญัติอันนี้ขึ้นท่านก็เลยวางแผนฆ่าตัวตายเลยเพราะยังไม่ผิดวินัยใช่ไหมทีนี้ท่านภาษารีบทก็กล่าวว่าท่านพระฉันนะ อย่าได้หาสาตรามาฆ่าตัวเลยจงเป็นอยู่ก่อนเถิดพวกเรายังปรารถนาให้ท่านช น, นะเป็นอยู่ถ้าท่านพระช น, นะไม่มีโภชนะเป็นที่สบายผมจักสแสวงหามาให้อะไรเป็นอาหารสปายาของท่านผมจะหามาให้นะถ้าท่านพระช น, นะไม่มีเภสัตชเป็นที่สบายผมจักสแสวงหามาให้จะเอายาชนิดไหนบอกผมคือภ า, าษาไทยบทนี่ยอมอุปถาคท่านเยอะนะเกือบทั้งเมืองแหละ มันเรื่องอยู่เรื่องยาเรื่องอาหารเนี่ยไม่ยากสำหรับท่านถ้าท่านพระชนะไม่มีคนบำรุงที่สมควรผมจะคอยบำรุงท่านเองเดี๋ยวผมจะอุปถักค่ายนี้เองท่านพระชนะอย่าได้หาศาสตรามาฆาตัวเลยจงเป็นอยู่ก่อนเถิดพวกเรายังปรารถนาให้ท่านพระชนะเป็นอยู่นนไปยินข่าวลาตายเลยนะพระชนะก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตร ไม่ใช่กระผมไม่มีโภชนะเป็นที่สบายไม่ใช่ไม่มีเพรรสัชเป็นที่สบายไม่ใช่ไม่มีคนบำรุงที่สมควร <c oughs> ก็แหละกระผมได้ปรนิบัติพระาศาสดามาตลอดกาลนานด้วยความพอพระทัยมิใช่ด้วยความไม่พอพระทยัยความจริงการที่ภิกษุปรนิบัติพระาศาสดาด้วยความพอพระทยัยมิใช่ด้วยความไม่พอพระทยัยนั่นเป็นการสมควรแก่สาวกหมาย ผมเนี่ยได้ทํางานของผมกิจของผมอย่างดีที่สุดแล้วว่ังั้นจะคล า, ายกับผมเนี่ยหมดภาระแล้วข้าแต่ท่านพระสารีบุตรขอท่านจงทรงจําไว้อย่างนี้ว่าชันนาภิกษุจักหาศาตรามาฆ่าตัวอย่างไม่ให้ถูกตําหนิได้ผมจะตายแบบไม่มีใครตําหนิได้แม้แต่คนเดียวงั้นก็คือเท่ากับบอกว่าผมเนี่ยจะตายแบบพลาดอาหารตายทีนี้ก็ พันภาษารีบุตรก็บอกว่าเราจะขอถามปัญหาท่านพระฉันนะสักเล็กน้อยถ้าท่านพระฉันนะเปิดโอกาสพยากรปัญหาได้คล้ายกับว่าแหมก็บอกว่าจะตายแบบไม่ถูกดําเน่งนะตายยังไงเดี๋ยวขอถามปัญหาดูซะหน่อยอย่างนั้นเถอะนะพอตอบได้ไหมท่านพระฉันนะก็บอกข้าแต่ภาษารีบุตรโปรดถามเถิดกระผมฟังแล้วจึงจักรู้ก็บอกว่าคนที่พูดบอกถามเถอะตอบได้หมดแหละนี้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียว ถ้าเป็นคนทั่วไปก็บอกถามก่อ น, นถ้าถามแล้วค่อยรู้ว่าจะตอบได้หรือไม่ได้เว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าพอมาก็บอกว่าถามแล้วตอบได้หมดเลยไม่รู้ก็ตอบเป็นเหมือนกั น, นดูก่อนท่านพระฉันนะท่านพิจารณาเห็นจักสุจักสวิญญาณธรรมะที่รู้ได้ด้วยจักสุวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราหรือท่านพิจารณาอย่างนี้ใช่ไหม นะตา t ี i เป็นกวว่าตาเป็นนั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราใช่ไหมสีจิตเห็นเนี่ยพิจารณาอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็หูนะโสตะโสตะวิญญาณธรรมะที่รู้ด้วยโสตะวิญญาณคานะคานะวิญญาณธรรมะที่รู้ด้วยคานะวิญญาณธรรมะที่รู้ด้วยคานะวิญญาณคืออะไรคันธารม ชิวหาชิวหาวิญญาณและธรรมะที่รู้ด้วยชิวหาวิญญาณกายกายะวิญญาณและธรรมะที่รู้ด้วยกายะวิญญาณมโนมโนวิญญาณธรรมะที่รู้ด้วยด้วยมโนวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่ น, น, นอัตตาของเราหรือท่านท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ใช่ไหมาสารีบุตรก็ถามถ้าเป็นเราเราตอบไปยังไงใช่เลยใช่ไหม ใช่เลยตานี้ก็ของเราใช่ไหม ส, สีกับของเราอีกหูกับของเราจมูกกับของเราลิ้นกับของเรากายก็ของเรานะอันนี้เกิดใหม่อีกนานเหลือเกินใช่ไหมเพราะกรรมประเภทยึดถือเพื่อของเราเนี่ยมันมีไม่ติ่มสุดอ่ะนะเคยเห็นคนคัดของไหมสมมุติว่าในบ้านเราเนี่ยจะจัดของใช่ไหมเอออันนี้ก็ใช้ได้วางไว้ก่อนอันนี้ก็ใช้ได้วางไว้ก่อนอันนี้ก็ใช้ได้อาวางไว้ก่อนเหมนกัน ก็แสดงว่ายังเก็บรักษายังหวงแหนอยู่ก็เฝ้าต่อไปอันคนที่ยังยินดียึดถือในตาหูจมูกเล้นกายใจก็เหมือนกันนั่นแหละก็ไม่เป็นไรก็บอกทุกอย่างยุติธรรมไม่ต้องห่วงอ่ะนั่นแหละถ้ายึดถือมากก็รักษามากยึดถือในน้อยก็รักษาในน้อยนั่นแหละพวกนี้ก็เหมือนกันถ้ายึดถือมากนะยึดถือด้วยอำนาจตันหาและที่ถิ่มากอันนี้เกิดอีกนานไม่ต้องห่วงอะไรจะได้ดูแลสมความปรารถนาสมควรแก่ความยึดถือเลยนั่นแหละ ที่นี้ท่านพระชนะไม่ไม่ตอบอย่างนี้หรอกพระชนะตอบว่าข้าแต่ท่านทศารีบุตรผมพิจารณาเห็นจากสุจากสุวิญญาณและธรรมะที่รู้ได้ด้วยจากสุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานะเราเนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราถามว่าท่านพิจารณาอย่างไรท่านพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั่นเองนะพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณา หูโสตวิญญาณและธรรมะที่รู้ด้วยโสตวิญญาณโดยความเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาสแสดงว่าเรื่องปัจจัยท่านรู้เป็นอย่างดีอยู่แล้วท่านาผมพิจารณาเห็นคานะคานะวิญญาณและธรรมะที่รู้ด้วยคานะวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือไม่ได้ตามเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยอำ น, นาจของตันหามานะทิถีเลย กระผมพิจารณาเห็นชิวหาชิวหาวิญญาณและก็ธรรมะที่รู้ด้วยชิวหาวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรากระผมพิจารณาเห็นกายกายวิญญาณและธรรมะที่รู้ได้ด้วยกายวิญญาณว่านั่นไม่ใช่เราเราไม่ใช่นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรากระผมพิจารณาเห็นมโนมโนวิญญาณธรรมะที่รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่อัตตาของเราผมเนี่ยตามเห็นแบบนี้นะไม่ได้ทีนี้ท่านพระสาริบุตรก็ถามต่อไปว่าดูก่อนท่านพระฉันนะท่านได้เห็นอย่างไรรู้ได้อย <emergen optic> ่างไรนะเห็นได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรว่าในจักรสุในจักรสุวิญญาณในธรรมะที่รู้ได้ด้วยจักรสุวิญญาณจึงพิจารณาเห็นจักสุจักรสุวิญญาณและธรรมะที่รู้ได้ด้วยจักสุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรา รู้รู้อะไรเห็นอะไรจึงพิจารณาแบบนี้นะธรรมีบอกผมไม่ได้พิจารณาว่านั่นเป็นของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยก็คือปฏิเสธตัณหาปฏิเสธมานะปฏิเสธทิฏฐิแล้วท่านเห็นอะไรท่านรู้ได้อย่างไรในทวารหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันนะ <c oughs> ว่าท่านได้เห็นอย่างไรรู้ได้อย่างไรเห็นมโนมโ น, มโนวิญญาณ ในธรรมะที่รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณจึงพิจารณาเห็นมโนมโนวิญญาณธรรมะที่รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรานะพิจารณาอย่างไรจึงไม่ตามเห็นด้วยอำนาจตันหามานะทิฐิพระชนะตอบว่าข้าแต่ท่านภาษารรบุตรกระผมเห็นความดับรู้ความดับในจักสุก ในจักรุวิญญาณในธรรมะที่รู้ได้ด้วยจักรสุวิญญาณจึงพิจารณาเห็นจักรสุจักรุวิญญาณธรรมะที่รู้ได้ด้วยจักรสุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราอั น, นอัตรกาถาท่านอธิบายว่าคำว่าเห็นความดับคือทราบความสิ้นและความเสื่อมไปรู้ความสิ้นไปและเสื่อมไปยา น, นี้เป็นยานไหน พังขยานเป็นต้นนะนะตั้งแต่พังขยานเป็นต้นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านมีพังขยานแบบเนี้เพราะฉะนั้นคําว่าข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคือข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่อัตตาหรือไม่ใช่ตนนะคือเห็นพระไตรลักษณ์เห็นแต่ความสิ้นไปเสื่อมไปนะวิปัสสนาประเภทนี้แสดงว่าเป็น อยู่ในวิสุทธิข้อข้อไหนปฏิปทายานทัศนวิสุทธิแล้วท่านกําลังดําเนินอยู่ในปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิขนาดป่วยนะก็ยังปฏิปทายานทัศนวิสุทธิของท่านก็เจริญนะเรียกว่าจนมั่นใจว่าจะฆ่าตัวตายได้นะถ้าคนทั่วไปเนี่ยโอ้โหขอให้หายเถอะขอให้หายตตีเถอะจะได้ทําบุญกุศลอีกหน่อยอยนะ่างนั้นแต่ของท่านเนี่ยท่านมั่นใจในทางเดินของท่านนะนะ เพราะว่าท่านท่านไม่ได้มีความสงสัยแล้วในใ น, ในข้อปฏิบัติพวกนี้เพราะว่าท่านเดินถึงขานาดปฏิปทาญาณทัศนวิสุท ธ, ธิแล้ว